ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นอ น, นะแล้วก็ไม่ใช่ของใครอีกนั่นแหละเพราะอะไรเพราะ อ, อะไรเพราะสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาส่วนสุญญาตาโดยอาการหกก็คงอีกสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะนี่พักก่อนต่อเลยนะข้อความในวิสุทธิมรัสังขารูปเปขายานหน้าสองร้อยสี่สิบหก ข้อ761กล่าวว่า พ, พระโยคาวจรนั้นครั้นกาหนดความเป็นของว่างเปล่าอันมีเงื่อนสี่อย่างอย่างนี้แล้วยังกำหนดความเป็นของว่างเปล่าโดยอาการหกอีกกำหนดความว่างเปล่าโดยอาการหกเนี่ยมีอะไรบ้าง<ส>ก็คือว่างเปล่าจากตนจากของของตน จากความแน่นอนจากความมั่นคงจากความเป็นของเพียงจากความเป็นของไม่แปรปรวนคำว่าสิ่งนั้นว่างคำว่าว่างแปลว่าไม่มีเช่นว่าเบาะว่างก็แปลว่าไม่มีคนนั่งหม้อว่างก็ไม่มีอะไรอยู่ในหม้อหม้อว่างกับหม้อเปล่าเนี่ยนะเก้าอี้นี้ว่างไหมเก้าอี้มีแต่ไม่มีใครนั่งแลีวกเก้าอี้ว่างฉันใดก็ดีอย่างเช่นจากขุคือตาเนี่ยนะว่างจากตน ข้อหนึ่งนะว่างจากตนแปลว่าในตานี้ไม่มีตนอยู่อย่างแท้จริงตนของเดรัทธีไม่มีอยู่ในตารอกแล้วตาก็ไม่ใช่ของตนด้วยนะตาก็เลยไม่มีความแน่นอนอยู่ในตาตัวตาเองไม่มีความมั่นคงตานี้ไม่มีความเที่ยงอยู่เลยตานี้ไม่มีอะไรที่แปรไม่เป็นสรุปว่าแปลว่าเป็นของแปรเป็นเป็นของแปรปรวนเหนะห ยังสาธยายพร้อมกันนะบอกว่านะจากขุเป็นของว่างจากตนจากของของตนจากความแน่นอนจากความมั่นคงจากความเที่ยงแท้จากความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาโสตะว่างจากตนว่างจากของของตนว่าจากความแน่นอนจากความมั่นคงจากความเที่ยงจากความเป็นของไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา คานะเป็นของว่างเปล่าจากตนว่างจากของของตนว่างจากความแน่นอนว่างจากความมั่นคงว่างจากความเที่ยงแท้ว่างจากความเป็นของไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาเชีวหาเป็นของว่างจากตนจากของของตนจากความแน่นอนจากความมั่นคง จากความเที่ยงแท้จากความเป็นของไม่แปรปรวนกายเป็นของว่างเปล่าจากตนจากของของตนจากความแน่นอนจากความมั่นคงจากความเที่ยงแท้จากความเป็นของไม่แปรปลุนเป็นธรรมดามโนเป็นของว่างจากตนจากของของตนจากความแน่นอน จากความมั่นคงจากความเที่ยงแพ้จากความเป็นของไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาต่อไปก็รูปเสียงเปลี่นรสโพธภาษมรมอันนั้นก็คืออายตนาภายใน6อายตนาภายนอก6วิญญาณหกภาษาหเวทนาหสัญญาหเจตนาหตัณหาหวิตก6วิจารหขันหอายตนา12บธาตุสเป็นต้นก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยนะ ก็สรุปว่าเอาสองร้อยหนึ่งมาคูณคูณเท่าไหร่คูณหกนะนะคูณว่างศูนจากหกอย่างด้วยกันอันนี้ก็ยกข้อความจากที่ไหนมาหน้าไหนหน้าไหนเปไปยานเหล่านี้เอามาจากหน้าไหนหน้าเท่าไรเอ่ยหน้าหน้าหน้าหน้าเจ็ดสิบสี่ดูหน้าเจ็ดสิบสี่เป็นต้นไปเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็สิบหกเจ็ดสิบเจ็ดนั่นแหละ จุดๆๆนั่นอยู่แ ถ, แถวๆนั้นนะไปดูเอาอันนี้พระก็การยกถึงสุญญาตาเนี่ยนะสุญญาตาโดยอาการสองหรือโดยเงื cuisine cuisine ่อนสองเงื like ่อนโดยเงื <S <S huh ่อนสี่โดยเงื่อนหกเงื่อนแปดเงื่อนสิบสองเงื่อนสี่สิบสองเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าท่านยกมาจากไหนท่านท่านเขียนขึ้นมาเองหรือเปล่าบอกไม่ใช่ท่านยกมาจากข้อความในจูลนิเทศยกข้อความเหล่านี้นะรวมเต็มๆเนี่ยยกมาจากจูแลนิเทศส่วนหนึ่ง จูรนิเทศเล่มหกสิบเจชื่อว่าโมกขราชมานวะกะปัญหานิเทศถ้าใครเคยฟังเทพสุญญาตาเนี่ยก็จะมีเคยเคยอธิบายไว้บ้างแล้วทีนี้มาดูข้อเจ็ดร้อยหกสิบสองว่าพระโยคาวจรนั้นคันกำหนดโดยความเป็นของว่างเปล่าโดยอาการหกอย่างนี้แล้วก็กำหนดโดยอาการแปดอีกอาการแปดมีอะไรบ้างก็กำหนดว่ารูปไม่มีสาระ หาสาระไม่ได้ปราศจากสาระสาระคืออะไรบ้างหนึ่งนิจจสาระแปลว่าไม่มีแก่นคือความเที่ยงเปล่าจากสาระคือทุวาสาระทุวะแปลว่ายั่งยืนไม่มีความยั่งยืนเลยสาโดยสาระคือสุขขสาระแปลว่ารูปไม่มีแก่นคือความสุขที่แท้จริงสี่โดยสาระคืออัตตสาระรูปไม่มีอัตตไม่มีอัตตาที่เป็นแกนสารอะไร แล้วก็ห้าว่างจากความเป็นของเที่ยงหกว่างจากความเป็นของมั่นคงเจ็ดโดยความว่างจากความเป็นของยั่งยืนและแปดว่างจากความเป็นของที่ไม่แปรปลวนเป็นธรรมดาสรุปท่านอยากบอกว่ารูปเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงรูปเนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนรูปไม่มีความสุขรูปไม่ใช่อัตตาอันนะมันไม่มีความเที่ยงอยู่แท้จริงไม่มีความมั่นคงไม่มีความยั่งยืนไม่มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดารอกอ ธรรมะเนี่ยอย่างที่เคยกล่าวว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าอาธิบายมีอยู่สองลักษณะด้วยกันข้อแรกอธิบายแบบคล้อยตามเขาเรียกอันวยะคล้อยตามนะพูดตามพูดตรงๆเลยเรียกว่าอันวยะอย่างที่สองเาเรียกว่าพยาติเรกะคือพูดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามดังนั้นถ้าจะอธิบายความว่างก็จะเอาสิ่งตรงกันข้ามถ้าจะบอกว่า มันไม่เที่ยงก็บอกมันไม่มีความเที่ยงอย่างงี้ยนะมันเป็นทุกข์ก็บอกก็มันไม่มีความสุขอ่ะพูดอย่างนี้เข้าใจนะบอกผู้หญิงเอาก็ไม่ใช่ผู้ชาย อ, าอย่างงี้ผู้ชายเอากวาไม่ใช่ผู้หญิงนะเนี่ยบอกสูงเออไม่ใช่ต่ําถ้าดําบอกไม่ใช่ขาวส น, นการที่จะพูดอีกอย่างหนึ่งเอาตรงกันข้ามมาที่บายการที่บอกว่าเนี่ยขันห้าก็เหมือนการรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยไม่มีความเที่ยงเออไม่มี แก่นคือความเที่ยงไม่มีแก่นคือความยั่งยืนไม่มีแก่นคือความสุขไม่มีแก่นคืออัตตาเพราะเพราะอะไรเพราะโดยมันไม่มีแก่นคือความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นของมั่นคงความเป็นของยั่งยืนเป็นของที่ไม่แปรปลีนก็ท่านอยากบอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่มั่นคงมันไม่ยั่งยืนมันไม่แปรปลี่ยนนะนะแต่คนสมัยก่อนเขาชอบอะไรฟังในสิ่งที่มันตรงกันข้ามไว้เสมอนะเขาจะเข้าใจง่ายของเรานี่พูดแบบตรงตรงกับพูดแบบตรงกันข้ามมันไหนเข้าใจดีกว่ากัน บางเรื่องก็ตรงๆบางเรื่องพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามเข้าใจดีก็คงว่าเป็นกรณีไปใช่ไหมคันห้าก็เหมือนกันนะข้อความเปก็ธรรมะสองร้อยหนึ่งนั่นแหละมาคูณแปดธรรมะสองร้อยหนึ่งมาคูณแปดว่าอย่างเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นของไม่มีสาระหาสาระไม่ได้ปราศจากสาระโดยสาระคือนิจจะสาระ โดยสาระคือทุวาสาระโดยสาระคือสุขสาระโดยสาระคืออัตสาระโดยความเปม็นของเที่ยงโดยความเป็นของมั่นคงโดยความเป็นของยั่งยืนและโดยความเป็นของที่ไม่แปรปลีนเป็นธรรมดาสรุปว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวของมันเองเลยจะว่ามันดีได้ยังไงใช่ไหมขันห้ามเมื่อมันไม่มีของเที่ยงอยู่ในนั้นมันดีได้ยังไงไม่มีความยั่งยืนอยู่ในขันห้าขันห้ามจะดีได้ยังไงไม่มีความสุขที่แท <Landing S 2> ้จริงอยู่ในขันห้าแล้วขันห้ามจะดีได้ยังไง ไม่มีอัตราอะไรอยู่ในขันห้าและขันห้าจะดีได้ยังไงเพราะขันห้าเนี่ยไม่มีสาระคือความเที่ยงเลยให้มันยั่งยืนให้มันมันคงให้มันแน่นอนไม่มีสักอย่างเลยนะบอกอย่าแปร ى, นะอย่าแปร ى. เคยบอกใจเอยเธอจะเปลี่ยนไปถึงไหนเคยคุยกับตัวเองมัางหรือเปล่ามันบอกอีกพักหนึ่งบอกจะเอาอย่างนี้อีกพักบอกไม่เอาไม่เอาอยางอื่นอีกนะบอกใจเออเนี่ ย, นนะ จ, ยจะเปลี่ยนไปถึงไหนนะเนี no. ่ย ัสรุปว่าขันห้าเป็นอย่างนี้จริงๆก็สองร้อยหนึ่งนะขันห้าโดยที่สุดยกตัวอย่างชรามรณะชรามรณะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ก็นั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละไอ้ความแก่เหล่านี้เนี่ยนะคนพูดก็แก่แล้วนะไ ม, ไม่ก็ต้องดูสายตาคนแก่กว่าเขาพูดว่ายังไม่แก่นะสายตาคนที่เด็กกว่าเขาบอกออ้ยแก่มากแล้วไม่เชื่อไปให้เด็กๆเลยนะไปให้ใครนะให้น้องพาพูดติ่มบอกออ้ยแก่มากแล้วอย่างนั้น พาเพิ่มสองขวบนะทีขวบนะสามสี่ขวบเนี่ยนะก็บอกโอ้ยนี่หลงปูแล้วแบบนั้นแหะแก่มากแล้วสรุปว่าชรามรณะเนี่ยนะความแก่และความตายเหล่านี้ไม่มีสาระหาสาระไม่ได้ปราศจากสาระโดยสาระคือนิจจสาระโดยสาระคือทุวสาระโดยสาระคือสุขสาระโดยสาระคืออัตตสาระโดยความเป็นของเพียงโดยความเป็นของมั่นคงโดยความเป็นของยั่งยืนโดยความเป็น สิ่งที่ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาขันท่าเหล่านี้เปรียบเหมือนอะไรเหมือนไม้อ้อไม้อ้อนะรู้จักไหมไม้อ้อ oh. รู้จักเนาะก็ไม่รู้จักก็เดินทางตามข้างทา ง, ทางนะยา่าเขียวๆข้างทางนั่นแหละลักษณะของไม้อ้อนะเป็นไม้ที่ไม่มีสาระหาสาระไม่ได้ปราศจากสาระฉันใดไม้ออ oh, ก็คือพันเดียวก็คือตระกูลหญ้าแต่เป็นหญ้าที่ลําต้นเนี่ยเท่าโป้งมือก็มีเนี่ยนะ หรือดอกอ้อก็คือดอกที่เขาเอามาทําไม้กวาดฝอยๆเนี่ยดอกที่เอามาทําเป็นไม้กวาดเนี่ยเรียกดอกอ้อดอกอ้อนี่แหละคือไม้กวาดไม้กวาดกวาดฝุ่นละอองเล็กๆตามบ้านเราอนะเรียกว่าดอกอ้อนะส่วนต่อไปบอกไม้ละหงูงรู้จักต้นละหง้วยที่มันงอกงอกบางบ้านนี่เขามีต้นละหง้วยมางอกบอกไม้ละหง้วก็เป็นไม้ที่ไม่มีแก่นสาระนี้แปลว่าแก่นไห ไม่มีแก่นหาแก่นไม่ได้ปราศจากแก่นฉันใดไม้มะเดื่อมะเดื่อก็เป็นของเป็นไม้ที่ไม่ notice, มีแก่นหาแก่นไม่ได้ปราศจากแก่นฉันใดเปรียบเหมือนไม้กลุ่มไม้กลุ่มเนี่ยนะก็ไม่มีสระแก่นหาแก่นไม่ได้ปราศจากแก่นฉันใดเปรียบเหมือนไม้ทองกวาลไม้ทองกวาลนี่ก็ไม่มีแก่นหาแก่นไม่ได้ปราศจากแก่นฉันใด เปรียบเหมือนก้อนฟองน้ําปกติพระพุทธเจ้าเปรียบฟองน้ําเหมือนอะไรฟองน้ําเหมือนอะไรรูปกระขันเหมือนฟองน้ําเนี่ยนะบอกว่าฟองน้ําเนี right? ่ยก็เหมือนการไม่มีแก่นหาแก่นไม่ได้ปราศจากแก่นฉันใดเปรียบเหมือนตอมน้ําตอมน้ําเหมือนอะไรขันเวทนาขันเหมือนตอมน้ำเนี่นะตอมน้ําเนี่ยก็เป็นต่อมที่ไม่มีแก่นหาแก่นไม่ได้ปราศจากแก่นชันใดแม้แต่พยับแดด พยับแดดนี่ก็เหมือนกันสัญญาขันนะเหมือนพยับแดดไม่มีแก่นหาแก่นไม่ได้ปราศจากแก่นฉั Khan, ้นใดเปรียบเหมือนต้นกล้วยอะไรต้นกล้วยสังขารขันไปอยู่ที่สวนกล้วยนะนึกเห็นต้นกล้วยเขา่าหนั้นก็มีแต่ปากกล้วยก็เลยนึกถึงเนี่ยสังขารขันก็เหมือนต้นกล้วยนี่แหละต้นกล้วยเป็นต้นที่ไม่มีแก่นหาแก่นไม่ได้ปราศจากแก่นชันใดเปรียบเหมือนมายากล นักเล่นกลภาพยนตร์ทั้งหลายนะเครดูในในในหนังไม่ดูหนังไอ้ชาร์ตหนังนักําลังใช้กันฆ่ากันเต็มจอไปหมดเลยนะเป็นต้นเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างไหมก็มีแต่เงาอะนะมายาฉั้นใดมายานี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นหาแก่นไม่ได้ปราศจากแก่นฉั้นใดขันห้ายตนะสิบสองท่าสิบแปดแม้กระทั่งองค์ของปฏิจจสมุป บ, บาทแต่ละอย่างก็เหมือนกันไม่มีแก่นหาแก่นไม่ได้ปราศจากแก่นชันใด แก่นที่ว่านี่แก่นคืออะไรไม่มีแก่นคือความเที่ยงไม่มีแก่นคือความยั่งยืนไม่มีแก่นคือความสุขไม่มีแก่นคืออัตตาเพราะตัวเขาเองเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่มั่นคงเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของที่แปรปลุนไปเป็นธรรมดาจริงๆนะชีวิตของเราเนี่ยเรามามาติดใจมารุ่มหลงมาเพลิดเพลินมาคาดมาเดามาหวังในสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้เอาสิเรานี่มาคาดหวังมาสมมาเดา มาเพลิดเพลินหลอกหลอกตัวเองว่ามันเที่ยงอนะนีหลอกตัวเองว่ายั่งยืนใครไม่ถูกหลอกบ้างแล้วเคยไปหลอกคนอื่นไหมเออเทีย่ยงยั่งยืนสโสดอุย้ยดีเมียมนาสอย่างงี้ยเนะก็หลอกกันไปหลอกกันมานะกอดคอกันเฝ้าวัตตะกอดคอกันเฝ้าขันาธาอายตนะอย่างนี้แหละเอา้าจะรีบไปไหนเนี่ยนะบอกจะรีบไปฟังธรรมโอ้ไม่ได้อย่าเพิ่งรีบไปเลยอย่างนั้นก็ น้อยนนะจริงๆนะผมอ้ยนี่ยฉันต้องรีบนะรีบให้เห็นอริยสัจให้ได้เห็นอะไรก็ทุกอะไรเป็นต้นเนี่ยนะน้อยนักนะที่คนรู้สึกเร่งรีบรีบเร่งแบบนี้เนะี่ยยังมวยเร่งหรือยังที่จะเห็นอริยสัจบอกนี้ทุกเนะี่ยต้องรีบรีบนะเรื่องอื่นช้าได้แต่เรื่องนี้ต้องรีบ <c oughs> บอกเรื่องนี้ช้าได้เรื่องอื่นต้องรีบไว้ก่อนเนี่ยนะแสดงว่าผมคิดคนละอย่างกับพระพุทธเจนะ้าใช่ไก็อย่างที่เล่าบอกว่า ถ้าไฟไหม้บนศีรษะหรือไฟไหม้ภาคของเธอทั้งหลายเธอทําไงปกติบอกรีบเลยนะใช่ไหยเร่งรีบพุตตเจ้าบอกเรื่องนั้นช้าก่อนก็ได้ช้าๆก็ได้แต่ถ้าต้องรีบคือรีบพิจารณาให้เห็นอริยสัตว์นี้ก็เหมือนกันนี่ต้องรีบแล้วนะที่จะพิจารณาให้เห็นว่าขันหา้าไม่มีแก่นคือความเที่ยงต้องรีบที่จะพิจารณาว่าขันหา้าไม่มีแก่นคือความยั่งยืนต้องรีบพิจารณาให้เห็นว่าขันหา้าไม่มีแก่นคือ ความสุขรี Harry, พิจารณาว่าขันห้าไม่มีแก่นคืออัตตาส่วนคําว่าเที่ยงมั่นคงยั่งยืนไม่แปรปลวนี้ก็เป็นไวยพจน์ของไวยพจน์ของอะไรอ น, นิจจังไวยพจน์แปลว่าอะไรห้ามบอกว่าเพชศสุพรรณไวยพจน์นี้แปลว่าคําที่ใช้แทนอันนะใช้แทนคําว่าอะไรใช้แทนคําว่าไม่เที่ยงเป็นต้นเน่ยนะก็คือใช้แทนคําว่า อันนี้จังก็คือเนี่ยไม่เที่ยงไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนไม่แปรปรวนหรือถ้าไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนและไม่แปรปรวนอันนี้สุญญตาโดยอาการแปดนะสุญญตาโดยอาการแปดคูณสองร้อยหนึ่งเข้าไปเนี่ยนะโอ้ยไม่เหงาแล้วมีอะไรทําอีกเยอะแยะนะไปอยู่ในป่าเขาหลืบเขาตรงไหนก็ไม่กลัวว่าจะต้องเหงาอีกแล้วนะกลัวแต่จะทําไม่เสร็จแค่นั้นแหละบอกโอ้ยมีอะไรต้องคิดอีกเยอะแยะเลยนะเวลาชักจะเหลือน้อยเต็มทีนะยมรุษนะ นี่ก็เย็นมากแล้วอืมไม่รียบแล้วแย่เ yeah, น้อลําบากะเกิดพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้เช้าอ่ะพรุ่งนี้เช้าถ้าเกิดฝนตกจะทำไงกันนี้แล้วอาว่อ า, อาพรุ่งนี้เช้าหมายถึงว่าชาติหน้าจะไปหวังอะไรกันเล่านนบ่ายๆค่าๆชีวิตฉราคมายืนขนาดนี้แล้วถ้าไม่รีบแล้วไม่รู้จะไปรีบทําอะไร แต่อไปว่าข้อเจ็ดร้อยหกสิบสามพระโยคาวจรนั้นครั้นกําหนดความเป็นของว่างเปล่าโดยอาการแปดอย่างนี้แล้วก็ย่อมกําหนดโดยอาการสิบอีกนะคือคือประทับตราในความเป็นอนัตตาโดยอาการสองอาการสี่อาการหกอาการแปดอาการสิบอาการสิบสองแล้วก็มีอาการอะไรอีกอาการสี่สิบสองอีกนะอุ้ยประทับตาว่ามันอนัตตาจริงๆนะมันอนัตตาจริงๆนะ ว่าถ้าประทับตราได้ขนาดนี้นะย้ำประทับตราครั้งที่หนึ่งสองใช่ไหมย้ำก็บีกสี่ย้ำก็อีกหกย้ำก็อีกแปดย้ำก็อีกสิบย้ำเขาบีกสิบสองย้ำก็าบีกสี่สิบสองว่าไม่บรรลุ ก, ก็อยู่ไม่ได้นะนะปัญหาบอกอนัตตาเสร็จแล้วก็หาวบแล้วก็นอนได้แล้วกันนะถ้าอย่างนี้ก็นอนพระโยคาวจรกําหนดโดยอาการสิบนี้กําหนดอย่างไรก็กําหนดเห็นว่ารูปเป็นของว่าง ย่อมเห็นรูปว่าเป็นของเปล่าเห็นรูปว่าเป็นของศูนย์เห็นรูปว่าเป็นอนัตตาเห็นรูปว่าหาความเป็นใหญ่ไม่ได้เห็นว่ารูปนี้ไม่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่อาจกระทำได้ตามความต้องการเห็นรูปว่าไม่เป็นสิ่งที่จะพึงได้เห็นรูปว่าไม่เป็นไปในอำนาจเห็นรูปว่าเป็นฝ่ายอื่นเห็นรูปว่าสงัดสงัดตัวนี้นี่แปลว่าวิวิตะมันวิเวกนะมันสงัดจากสงัดจากอะไรก็สงัดจากความเที่ยงเป็นต้นนั่นแหละ ขันห้านะขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดก็ใส่ใจโดยความเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์เป็นอนัตตาเป็นของไม่เป็นใหญ่เป็นของที่ไม่อาจกระทําได้ตามความต้องการไม่พึงได้แล้วก็ไม่เป็นไปในอํานาจเป็นฝ่ายอื่นเป็นฝ่ายอื่นแล้วก็สงัดเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสุญญตาโดยอาการเสร็ย้ําเข้าไปว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่เราก็ไม่ค่อยยอมรับนะต่อไปขั้นกําหนดโดยความเป็นของเปล่าโดยอาการสิบอย่างนี้ก็มาดูสุญญตาโดยอาการสิบสองสิบสองก็คือรูปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะไม่ใช่นระไม่ใช่มานพไม่ใช่หิงไม่ใช่ชายไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตนิยคือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ของใครๆ อันนี้แค่ว่าเอามาสรุปรวมกันนะนะว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะไม่ใช่เนราไม่ใช่มานุปกไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่อัตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องโดยอัตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ของใครๆเอาแล้วรูปมันเป็นอะไรอะตกลงมันเป็นอะไรรูปเนี่ยอืมรูปก็เป็นฮะว่าไงเนี่ย เขาบอกว่านี้ไงรูปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีว่ไม่ใช่นระไม่ใช่มานุปกไม่ใช่ยิงไม่ใช่ชายไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ของใกลไสรุปแล้วมันเป็นอะไรก็เป็นรูปนะโยมบอกโอเป็นรูปสิมันทำไมจึงเรียกว่าเป็นรูปวิโรธิวิโรธิปัจจัยนะโยมเขาบอกสลายไปนะถูกต้องเก่งมากมีใครนะได้คนเก่งไปอยู่ที่บ้านด้วยนี่อยสนทนากันอย่างนี้บ่อยๆนะที่นอนสองคนแค่นั้นเนี่ คุยกันเนี่ยว่ารูปมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะไม่ใช่นราไม่ใช่มานอกไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ของใครๆสรุปมันก็เป็นรูปนั่นแหละเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนเพชรขาดเป็นต้นนั่นแหละตัวรูปอะ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ธอายตนะสัจจะอินทรียทั้งหลายเหล่านี้เอามาพิจารณาให้หมดเลยนะว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะไม่ใช่นระไม่ใช่มานพไม่ใช่ยญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องโดยอัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนอื่นแต่ก็ไม่ใช่ของใครๆมันก็เป็นขันธ์ธาตุอายตนะนั่นแหละที่ว่างเปล่าศูนส่วนโดยอาการสี่สิบสองนี่ก็เหมือนกับตีรณปริญญาเหมือนตีรณปริญญาเลยนะที่พิจารณาไปแล้ว โดยอาการ42ก็คือเหมือนกับปฏิติรณะปริญญาอีกว่าเห็นว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังเป็นของเสื่อมซามเป็นของเจ็บป่วยเป็นฝ่ายอื่นเป็นของแตกทําลายเป็นของจันไรมีอันตรายมีภัยขัดข้องหวั่นไหวแตกไม่มั่นคงไม่มีที่ต้านทานไม่ใช่ที่หลีกเล้นไม่ใช่ที่พึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรถือเอาว่าเป็นที่พึ่งเป็นของเปล่าว่างศูนย์อนัตตา ความพอใจไม่ได้มีแต่โทษเป็นของแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่มีแก่นสารเป็นมูลแห่งบาปเป็นดุจเพชรจักาดมีแต่ความเสื่อมเป็นไปกับอาสวะเป็นถูกสังกตะถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหยื่อของมารเป็นของที่มีความเกิดความแก่ความป่วยความตายเป็นธรรมดาเป็นเหตุแห่งโศกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาจะต้องสลัดออกให้ได้เป็นธรรมดา พราะถ้าสลัดออกไม่ได้จมอยู่ในรูปอะไรจะเกิดขึ้นนะจมอยู่ในรูปก็เฝ้ารูปสิเนาะก็เลี้ยงดูรูปบริหารรูปรักษารูปต่อไปเพราันจะต้องมีอันต้องสลัดออกนะนะคือคือถ้าไม่สลัดออกแล้วก็ต้องทุกข์แน่นอนมีรูปไหนไหมไม่เป็นที่หลังแห่งน้ําตามีไหมไม่มีเพราะรูปเหล่านี้ก็เป็นอย่างนี้จริงๆเอาขันห้ามาคูณสี่สิบสองเข้าไปก็มีอะไรทําอีกเยอะนะ ไม่ไม่ต้องกลวงเหาแล้วยมนุษนะลูกหลานไม่มาเยี่ยมก็ไม่ต้องห่วงแล้วิจานาเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นโรคเป็นดังหัวสีเป็นดังลูกสอนเป็นของเสื่อมทรามเป็นของเจ็บเป็นของป่วยเป็นของฝ่ายอื่นเป็นของแตกทําลายเป็นของเสนียดเป็นของจังไรมีอันตรายมีภัยขัดข้องวันไหวอุ้ยหุ่นวายไปหมดเลยนะก็ขอให้มันเห็นอย่างนี้จริงๆเธอเนี่ยนะป่าตรงนี้รุ่นรมหนอดอกไม้นี่งามชิงหนอถ้าอย่างนี้ก็ตรงกันข้ามกับผู้แต่เจ้าเลยนะ แสดงว่าอยู่ฝ่ายมารไปเรียบร้อยแล้วลถ้าอยู่ฝ่ายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีโดยอาการสี่สิบสองนี่คูณไปเถิดสองร้อยหนึ่งแม้ข้อนี้สมจริงดังที่ท่านภาษาดิบุตรเทระกล่าวไว้ในปฏิสัมพิทาว่าพโยคีเมื่อเห็นโรคว่าไม่เที่ยงจนถึงน่นอ่ะต้องอันสลัดออกไปชื่อว่าพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าะนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันที่ที่แสดงที่ไหน ในจุลนิเทศโมคขราชมานวากะปัญหาในถ้าฉบับสี่สิบห้าเล่มอยู่เล่มสามสิบนะถ้าฉบับเก้าสบเอ็ดเล่มอยู่เล่มหกสิบเจ็ดหกิบเจ็ดโมกขราชมานวากะปัญหาไปดูอ่านเอาพระองค์ตรัสว่าดูก่อนโมคขราชท่านจงเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นโลกว่าเป็นของว่างเปล่าตลอดการทุกเมื่อเถิดถอนอัตานุทิฏฐิได้อย่างนี้แล้วคือหมายความว่าถ้าหากว่าเห็นว่าโลกเป็นของว่างเปล่าเนี่ย ก็จะไม่สำคัญโลกว่าเป็นตนเป็นของของตนใช่ไหมถ้าถอนอัตตานุทิฏฐิอย่างนี้ได้ก็เพิ่งข้ามมัจจุมานข้ามมัจจุคือข้ามความตายได้พยามัจจุคือความตายก็มองไม่เห็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้มันถ้าใครตามเห็นโลกโดยอาการสองอาการ4อาการ6อาการ8อาการ10อาการ12อาการ4 2แล้วถอนอัตตานุทิฏฐิอย่างนี้ได้เนี่ยนะความตายมองไม่เห็นละ ต่อไปก็เลิกตายสักทีหนึ่งถ้าเจริญได้ตามนี้จริงๆก็เลิกเกิดถ้าเลิกเกิดก็มีอันต้องเลิกตายที่เลิกเกิดได้ก็เพราะอะไรอะไรดับความเกิดจึงดับเพราะกรรมดับความเกิดจึงดับพบดับความเกิดจึงดับใช่ไหมเพราะชาติเพราะพบดับชาติจึงดับแล้วพบดับเพราะอะไรดับอุปาทานดับอุปาทานดับเพราะอะไรดับปัญหาดับมันถ้าตามเห็นอย่างนี้จริงๆก็ดับ ตันหาได้ถ้าดับตันหาก็เป็นอันดับอุปาทานเมื่อดับอุปาทานก็เป็นอันดับพบเมื่อดับพบก็ดับความเกิดถ้าไม่เกิดจะแก่มาจากไหนถ้าไม่แก่แล้วจะตายมาจากไหนถ้าไม่ตายแล้วโสกปริเทวะทุกโทมานัตอุปาญาตจะมีมาจากไหนวันที่สุดแห่งทุกข์ก็มีได้ของเราเนี่ยโดยมากนะปรารถนาทุกขแบบยังต้องเกิดเอ้ยขอไปปรารถนาความสุขอมตะที่ต้องเกิดจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ย อะไรนะเหมือนกับคนที่บอกว่าขอชั้นขอแต่บริโภคอร่อยอร่อยโดยที่ไม่ต้องขับถ่ายเลยเนี่ยนะดีไหมเป็นไปได้ไหมยขอกินแต่อาหารอร่อยมีก า, กากเยอะๆแต่ไม่ต้องขับถ่ายนะสงสัยไม่นานเท่าไหร่ทะลักออกทางทวารปากแล้วเดือร้อนแน่นนะเขาบอกว่าคนไข้โรคลำไส้บางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นในที่สุดก็ทะลักออกมาทางปากเคินเนี่ยนะอุจจาระทะลักมาทางปากนี่หนักใจน่าดูเลยนะชั้นใดก็ดีผู้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะที่จะพ้นจากความแก่และความตาย ไม่มีจริงๆนั้นใครที่ปรารถนาความเกิดแต่ไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายอันนั้นเป็นความหวังที่ลมๆแรงๆเป็นความหวังของคนเขา่าพระโยคาวาจรนั้นครั้นเห็นภัยของความเป็นของศูนย์อย่างนี้แล้วขอพายครั้นเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของศูนย์อย่างนั้นแล้วกําหนดสังขารทั้งหลายยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์อย่างนี้แล้วเพราะไอ้ทั้งอาการสองอาการสี่หกแปด สิบสิบสองสี่สิบสองเนี่ยนะทั้งหมดที่กล่าวไปก็คืออนอนาตานั่นแหละเอ้เขอาไปอันนี้จังทุกขังอนนาตานั่นแหละก็ย่อมละทิ้งทั้งความกลัวคือเลิกกลัวขันห้าแต่ก็เลิกเพลินขันห้าไม่กลัวไม่เพลินเป็นปยังไงเลิกชอบและเลิกชังใไหตามสูตรแบบว่าเลิกมียพิชาและโทมนัตเนี่ยนะเลิกเศร้าใจแล้วก็เลิกดีใจกับขันห้าแล้วเป็นผู้วางเฉย คือเป็นกลางในสังขารทั้งหลายกลางในกลางไหนคําว่ากลางในที่นี้แปลว่าไม่มีอภิชากับโท ม, มนัสอภิชาคือโลภะไม่โลภและไม่โกรธก็อยู่อย่างมีปัญญามีปัญญาโดยอาการสองมีปัญญาโดยอาการสี่อาการหกอาการแปดอาการสิบสิบสองสี่สิบสองไม่ใช่ไอกลางแล้วก็เฉยเฉยแบบเคยเห็นคนปัญญาอ่อนไหมมันหัวเราะเป็นไหมมันร้องไห้ไหมก็ใช้มันก็เฉยอย่างนั้นเอาไหม ปฏิบัติแทบตายฉลาดเท่านั้นนะ่ะนะฉลาดเท่าคนปัญญาอ่อนน่าสนใจไหมไม่น่าสนใจที่สนใจก็คือเฉยโดยอาการสองอาการ4ี่อาการ6อาการแปดอาการสิบอาการสิบสองอาการสี่สิบสองเฉยแบบนี้จึงเฉยถูกต้องเฉยโดยที่ไม่มีอภิชากับโทมนัตเฉ ย, ยอย่างผู้มีปัญญาเฉยแบบผู้ที่ฉลาดเฉยแบบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่เฉยแบบคนเขา่า ก็เลยไม่ถือเอาว่าขันห้านี้เป็นเราว่าเป็นของเราเหมือนอย่างบุรุษผู้เลิกร้างภริยาได้แล้วฉะนั้นอุปมานะขันห้าเรารักมากเหมือนภริยาเราเลยเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีภริยาที่น่าปราถนาน่าพอใจหน้าชอบใจแสดงว่าสวยมากอิฐากันตามนาปาอิฐาแปลว่าอู้อะไรจะหน้าดีเท่านี้ไม่มีอีกแล้วกันตาก็เหมือนใค่ายคุณการตาเนี่ยนะโดยศับนะกันตานี่แปลว่าหน้าพอใจ การตาเนี่ยก็เพิ่มเป็นกอไก่เข้ามาเป็นการตาอิฐาหนา้าเป็นอิถารมันอารมณ์ที่หน้าปรารถนาอย่างยิ่งกันตาหน้าพอใจเออขออภัยการตาก็คือหน้าพอใจมากมนาปานึกถึงเมื่อไหร่ก็เอบ อ, อิ่มใจเลยนะใจนี้อิ่มขึ้นมาทันทีเลยผู้นั้นคือถ้ามีภริยาแบบนี้แล้วเป็นไงบุรุษนั้นเว้นห่างจากภรรยานั้นไปแม้แต่ครู่เดียวก็ไม่อาจทนได้ทําใจไม่ได้เลยต้องจากใช่ไหม กลัว่าจะจากภรรยาที่น่าพอใจเช่นนั้นเพลงประพฤติยึดเอาภรรยา น, นั้นว่าของเราเสียยิ่งนักอุ้ยมันกลืนกินไว้เบ็ดเสร็จจริงจริงนี่ของเราจริงๆอ่ะนี่ยถ้าอย่างนี้ตายแทนกันได้แล้วสบายเลยใช่ไหมเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นแหละยืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีพูดจ่าหัวเราะ ก, กับชายอื่นก็ดีเห็นแล้วดีใจไหมรับอย่างนี้ถ้าคนอื่นถ้าเห็นเขามีความสุขกับคนอื่นปกติน่าจะดีใจใช่ไหมตรงกันข้าม โกรดไม่พอใจสเสวยโทรมนักดุดที่รักสุดจะประมาณได้เสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะยทุกจริงๆก็เลยแต่ก็ ก, ก็ก็เคยได้ยินยนะครเล่าให้ฟังว่าทะเลาอ ก, กันประจําเลยมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีภรรยาเพื่อนคนนี้เขามีภรยรยาตั้งแต่อายุสิบสิบหกปีแม่บ้านเขานี้อายุมากกว่าหลายปีเหมือนกันเสร็จแล้วก็ แม่บ้านเขาไปคุยกับใครนะวันนั้นจะต้องทะเลาะ ก, กันให้ได้ทุกวันเลยแต่เชื่อไหมตอนนี้มันเปลี่ยนเมียไปแล้ว <c oughs> นี่ก็เหมือนกันนะตอนแรกอ๊ยพอใจอย่างสุดซึ้งเลยนะพอใจอยังเรียกว่าถ้าหากว่าเห็นไปคุยกับคนอื่นจะทางนี้จะตายให้ได้เลยสมัยต่อมาเขาเห็นโทษคือความไม่ดีของผู้หญิงนนั้นแล้วก็เป็นผู้ต้องการจะไปพ้น คือต้องการจะเลิกร้างกับผู้หญิงนั้นเสียไม่ถือเอาหญิงนั้นว่าเป็นของเราตั้งแต่นั้นไปเขาแม้จะพบเห็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกําลังทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับชายคนใดคนหนึ่งก็ไม่โกรธไม่เสียใจเป็นผู้วางเฉยคือเป็นกลางได้แน่นอนฉันใดภาคธาอุปมาแบบนี้นะเหมือนอะไรผู้การเล่าให้ฟังว่ามีบ้านอยู่ริมปิงอยู่ที่หนึ่งอย่างั้นโอ้ยตอนยังไม่ขายนะโอ๊ยคื อ, ค, อคือไปมีไปหมกมุ่นกับบ้านหลังนั้นมาก ตอนหลังขายไปนะน้ำจะท่วมก็ท่วมไปก็หลายๆเรื่องก็เป็นอย่างนั้นใช่ั้ยอย่างเหมือนรถเนี่ยบอกอุรถคันไหนนะบอกถ้าเป็นของเรานะใครมาขีดมาข่วนอะไรเราก็จะป่วยตาให้ได้เลยนะแต่พอขายไปเสร็จนะมันไปชนบุบสักแปดทับก็เฉยๆอยีกใช่ไหม อ, อะไรก็ตามนี่มันยึดถือว่ามเป็นของเรามันทุกข์จริงๆนะเดือดร้อนจริงๆอะไรก็ตามจริงๆนะโลกนี้นะถ้าถือว่าเป็นของเรานี่มันทุกข์จริงๆ ถ้าพอขายไปแล้วทิ้งไปแล้วคว้างไปแล้วนะเหมือนขยะเนี่ยนะคนเก็บขยะเนี่ยมันเคารพไหมไปถึงกราบขยะและะ้วค่อยๆเอาไปไหมไม่เอาไปเผาเอาไปฝังเพราะเราถืออะไรทิ้งไปแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไปแล้วเนี่ยนะนั้นการไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเป็นต้นเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างแท้จริงอะไรก็ตามที่เราสําคัญว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเนี่ยมันมันเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจมากๆเลยอันนี้ก็เหมือนกันไม่กระทั่งอะไรก็ตาม แต่นี้ก็พูดถึงสำหรับอย่างเนี้ยยกตัวอย่างผู้ชายที่หลงรักผู้หญิงมากนะในที่สุดมีปัญหาทะเลาะกันทะเลาะกันเช้าทะเลาะกันเย็นในที่สุดอย่ารางกันได้แล้วเป็นยังไงอนนั้นก็ทางใครก็ทางใครอ่นนะนะพระโยคาวจรผู้นี้ก็เป็นผู้ใครจะพ้นจากสังขารทั้งปวงกำหนดสังขารทั้งหลายด้วยปฏิสังขานุปัสสนาไม่เห็นความเป็นสิ่งที่จะพึงยึดถือว่าเราว่าของเรา ก็เลยละทั้งความกลัวละทั้งความเพลิดเพลินเป็นผู้วางเฉยในสังขารเสียได้คล้ายๆกับผ้าทหานไงผ้าทหารนี่ไม่ยินดีในความตายก็ไม่เพลิดเพลินในความเป็นอยู่แต่รอความตายเหมือนคนทํางานเสร็จแล้วรอเวลาเลิกงานนี่ก็ลักษณะนะนั้นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อตัดฉันทราคาในตาหูจมูกลิ้นก็ฉันนั้นคิดดูนะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่มันตรงกันข้ามกับชาวโลกเพียงใด ชาวโลกนะทํายังไงที่จะทําให้ตาเนี่ยยั่งยืนหูยั่งยืนจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของยั่งยืนมั่นคงบอกว่าคําสอนพระเจ้าบอกทํำยังไงจะเลิกตัดเออเลิกรักเลิกตัดเยื่อใหยในสิ่งเหล่านี้สักทีไม่เลิกตัดเยื่อใหญ่แปลว่าอะไรขอขอภัยนะถ้าเลิกตัดเยื่อใยก็แปลว่าขอมีเยื่อใ่พูดผิดนะพูดนี่นะถ้าคนอื่นมาแย่งพูดด้วยหนักกว่านี้ดีนะพูดคนเดียวอสรุปว่าถ้าหากว่า ปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาโดยถูกต้องดีอย่างแท้จริงนี่ก็จะเลิกเยื่อใยสักทีหนึ่งเลิกอาลัยอาวรณ์ในตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะตาจะดีตาจะบอดก็เสมอกันหูจะดีหูจะเสียก็เสมอกันจมูกจะดีจมูกจะเสียก็เสมอกันลิ้นจะดีลิ้นจะเสียเสมอกันกายจะดีกายจะเสียก็เสมอกันแต่ใจนี่ต้องดีตลอดนะใจเสียไม่ได้เพราะใจเสียนี่ประกาศถึงอะไรประกาศถึงว่าอบรมทำกิจยังไม่เสร็จ มันพรลารหันทั้งหลายจะไม่มีคําว่าเสียใจไม่มีใจเสียอีกต่อไปเนี่ยนะถ้าอ่านประวัติของพระธิมุตเถระใช่ไหยหลานของพระสังกิต จ, จะเถระใช่ไหมโจนเนี่ยเตรียมจะฟันดาบกันั่งยิ้มแป้เลยนะีมันก็ดูในเถระคา า, านะแม่แต่พระสังกิต จ, จะก็ลักษณะเดียวกันคือไม่ยินดีในการเป็นอยู่แล้วก็ไม่กลัวในความตายผู้ที่เจริญวิปัสสนาระดับสังขารุปเปกขายาณก็ ขันนั้นเหมือนกันเนยนะคือคือเปรียบได้เลยว่าท่านเลิอกอะไรเยื่อใ่ในในขันห้าจริงๆเพราะเพราะเห็นสารพัดพิษของขันห้าเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้ชิงชังด้วยอำนาจของโรสะเนี่ยนะก็เลยจะโกรธไม่โกรธชอบก็ไม่ชอบแต่ขยะขยงขยะขยงขันห้ามากๆเลยนะแม่เอาไม่า่าคือคืออะไรนะสมมติว่าอย่าง พูดแบบคนเลี้ยงหมูหน่อยนะว่าถ้าอยู่ในฟาร์มหมูเนี่ยเขาเขาไม่ได้ชอบขี้หมูแต่ก็ไม่ได้กลัวเกลียดขี้หมูแต่ก็เห็นว่าขี้หมูเป็นขี้หมูฉันใดขันห้าผู้ที่อบรมปัญญาแล้วก็ไม่ไม่ต่างกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทะ่านาจะมองเห็นสิ่งปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลมองเห็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลท่านจะคิดอะไรได้หมดเลยท่าชนชํานาญขนาดนั้นนะท่านจะพลิกให้เป็นอะไรก็ได้ขันห้าจะเป็นอารมณ์ของสมถะก็ได้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็ได้ เป็นอารมณ์ของธาตุก็ได้เป็นอารมณ์ของอสุภะท่านจะน้อมไปเข้าฌานในสิ่งนั้นก็ได้ท่านจะชำนิชำนานในการพิจารณาอารมณ์ได้ทุกอย่างสแสวงสรุปว่าสแสวงหาประโยชน์คือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งจากขันห้าได้เป็นอย่างนีโดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะอย่างที่เรากำลังเรียนอยู่นี้เน้นที่ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน พระโยคาวจรนั้นรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้นะตามสูตรเลยใช่ไหมเม <ME> ื่อรู้อยู่เห็นอยู่ก็ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตยอ่อมหลุดพ้นตามสูตรเลยใช่ไหมพระโยคาวจรรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็ย่อมถดถอยย่อมหดหูไอคําว่าหดหูนี่แปลว่าไม่เอาละเหมือน ก, นก็คิดถึงความตายนีใจนี่ถอยกลับเลยใช่ไหมปกติเนี่ยหดหูแบบนั้นแหละ หมุนกลับไม่เหยียดแปล ว, ว่าไม่เสนอตัวไปในพบสามไม่เหยียดไปรับ น, นะไม่เหยียดไปในกำเนิดสี่ขอสมัครเกิดในท้องของเธออย่างนี้ไม่มีละก็ปฏ <c oughs> ิเสธไม่ไม่ใจเนี่ยไม่น้อมไปหาคติห้าวิ ญ, ญญาณที่ตีเจ็ดสัตตาวาสเก้าอุเบคาหรือความน่าเกลียดย่อมตั้งมั่นอุเบคาในที่นี้หมายถึงว่าเป็นการเข้าไปใคร่ครวนตั้งมั่นจน อะไรนะคือคือเหมือนอะไรนะเหมือนกับเขาจับเราไปมัดเอาไว้ในกองขยะเนี่ยตอนแรกก็โอ้แทบอาเจียนยนะไปอยู่ไปนานๆก็ชินเข้าก็รู้เออชินแต่ว่าแต่ก็ยังเห็นขยะเป็นขยะวันยังค่าตอนแรกผู้ที่เจริญวิปัสนาเมื่อพิจรารณาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภยัยเห็นพิษเห็นอันตรายของขันห้าโดยประการทั้งปวงแต่พอเจริญมากๆเข้าก็รู้ว่าวัตถุเป็นที่น่ารังเกียจแต่ก็ไม่ได้โกรธเหมือนไอโกรธไม่โกรธหรอกแต่แต่อะไร โกรธไม่โกรธกลัวไม่กลัวเกลียดก็ไม่เกลียดแต่รู้ว่าสิ่งนั้นน่ารังเกียจนะนะอ่ะเอาใหม่นะทวนใหม่โกรธไม่โกรธกลัวไม่กลัวเกลียดไม่เกลียดแต่รู้ว่าสิ่งนั้นน่ารังเกียจสรุปขยะขยงั่งเมื่อใดเนาะจะเห็นว่าตาของเราลืมตาปั๊บปุ้การเห็นนี่น่าขยะขยงจริงๆแสดงว่าผู้บริสุทธิ์จริงๆนะเตรียมบริสุทธิ์แล้วนะเตรียมบริสุทธิ์จากวัตตาแล้วนะ เมื่อไรเนาะจะได้ยินเสียงแล้วขยะขแยงในการได้ยินจริงๆบางเรื่องเราขยะขยงใช่ไหมถ้าทาไมฟังดีก็ฟังเรื่องอะไรก็ตามมันน่าขยะกขยงหมดเลยรู้กลิ่นรู้รสรู้โพธาพะความคิดก็ยังขยะแขยงแม้กระทั่งในความคิดถ้าทำได้อย่างนั้นจริงก็เกือบบริสุทธิ์แล้วทำใจได้หรือเปล่าเนาะเบื่อเหลือเกินความคิดอันนี้ขยะขแยงตัวความคิดเหลือเกินพูดถึง พระอรหันต์พระสมัยพุทธกาลเนี่ยนะท่านบอกว่าท่านรังเกียจเหลือเกินที่จะต้องตายแบบปุุชนนน่นะคือตายแบบคนยังเยื่อให่ในขันท้าเพราะอะไรเพราะท่านเห็นขันท้านียมันน่ารังเกียจจริงๆเปรียบเหมือนว่าอันนัไอ้คาว่ารังเกียจหรือเฉยเนี่ยไม่ใช่เฉยแบบจำทนแลนะไม่ใช่เฉยแบบคนจะออก เฉยแบบเตรียมออกไม่ใช่เฉยเตรียมเฝ้าเตรียมอยู่บางคนเนี่ยนะอย่างเช่นมีมีสามีภริยาบางคนเนี่ยนะก็รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่ารังเกียจ ม, มากแต่ก็ในที่สุดเฉยเฉยเพื่อจะอยู่ต่อแต่เฉยตรงนี้เนี่ยวิปัสสนานี่คนละอย่างกันเฉยเพื่อจะออกเฉยเตรียมตัวออกเนี่ยนะเปรียบเหมือนอย่างว่าหยาดน้ําบนใบบัวที่เอียงอยู่หน่อยหนึ่งย่อมกลิ้งกลับ ย, ย่อมถอยเอ่อกลิ้งถอยมา ย่อมกลิ้งกลับลงไม่กลิ้งกลับขึ้นไปฉันใดคือไม่มีการไหลขึ้นอ่ะมีแต่ไหลลงโดยส่วนเดียวฉันใดฉะ น, นั้นเหมือนกันนั่นเทียวเปรียบเหมือนว่าขนไก่ก็ดีขนไก่แยเข้าไปในไฟเอ็นกบที่เขาใส่เข้าไปในกองไฟก็ดีก็ย่อมถอยกลับหดกลับหดเข้าย่อมไม่ยืดออกไปฉันใดเหมือนอย่างว่านะสมมติยื่นจิตขอเกิดบางคนเกาบอกขอให้ข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะสมมตินะ ขอให้เกิดเป็นมนุษย์บอกว่าใช่ฉันให้พรเธอให้เธอเป็นมนุษย์แต่แม่เป็นเอทโอ้ยงดหดกลับทันทีเลยนะถอยนะไม่เอาไม่เอาถอนตัวถอนตั ว, อ, ตวอย่างนี้ยคือลักษณะนั้นเน่ยนะใจนี่มันงอกลับทันทีเลยนะี่ยเหมือนกับยื่นมือก็ไปโทนนู้นยื่นดาบเข้ามานี่ยเป็นยังไงยื่นดาบเตรียมฟันอ่ะนะทําไงหดกลับเลยนะไม่เอาแล้วเนี่ยจิตของพระโยคาวจร น, นั้นก็ย่อมถดถอยย่อมหด ย่อมกลับไม่เหยียดออกไปในภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตตาวาสเก้าอุเบกขาหรือความเป็นของหน้าเกลียดย่อมตั้งมั่นฉะนั้นปฏิตุลาต า, าหมายคือว่าดำรงไว้ในความเป็นกลางไม่คือเตรียมออกเต็มที่กลางแบบกลางรอออกเนี่ยมันให้กลางเพื่อจะเข้านะเพราะมันเอียนในสิ่งนั้นเต็มทีแล้วเนี่ยนะใครเคยป่วยบ้างไหมป่วยจนทาใจได้ว่าป่วยป่วยจนนอน ยอมรับว่าเออนี่มันป่วยมันเลวร้ายมันไม่ดีจริงๆเพื่อจะได้ป่วยต่อไปหรือเพื่อจะอยากหายจริงๆใจจริงก็อยากบอกอยากจะหายอยากจะพนะ้นสักทีหนึ่งราะเมื่อเห็นขันหา้าเป็นความเป็นโรคทนอยู่กับโรคอันนี้เนี่ยนะทนอยู่แต่ว่าเตรียมออกเต็มที่มันแต่มันยังออกไม่ได้มันก็ต้องทําไงมันต้องเฉยแต่เฉยเพื่อรอทางออกเปรียบเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าคนที่สั่งอาหารเนี่ยนะสั่งอาหารตายแล้วก็ร้อง รอรอรอรอร อ, อาหารก็ยังไม่มาสักพีก็เลยเฉยเลยเฉยอะไรเฉยเฉยเฉยจะกินนะไม่ใช่เฉยจะไม่ใช่เฉยบอกว่าเลิกกินแล้วไม่ใช่เฉยก็ยังเฉยแบบเฉยแบบรอนี่ก็เหมือนการเฉยในสังขารรอบรรลุพระนิพพานมันจะบรรลุได้อย่างไรก็หาทางออกไปอย่างนั้นยานอันนี้ชื่อว่าสังขารุเปกขายานย่อมเป็นอันเกิดขึ้นแล้วแก่พระโยคาวจรผู้นั้นด้วยประการชนี ก็สังขารุเปกหายานนี้ถ้าหากว่าเห็นพระนิพพานอันเป็นสันติบทว่ามีอยู่ไซต์หมายความว่าถ้าหลีกสําเร็จนะหลีกออกจากขันห้าสําเร็จก็จะสละสัสังขารสละความเป็นไปของสังขารทั้งปวงแล้วก็แล่นไปสู่พระนิพพานทีเดียวคือถ้าหลีกได้บรรลุได้บรรลุเลยไม่รอละแต่ถ้าไม่บรรลุถ้าหากว่าไม่เห็นพระนิพพานว่ามีอยู่ ก็จะเป็นญาณที่มีแต่สังขารเป็นอารมณ์เป็นไปแล้วแล้วเล่าเล่าเป็นไปในสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารอบรรลุเนยไม่ใช่เป็นเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อบอกขออยู่ตลอดไปไม่ใช่แต่เตรียมออกเต็มที่เหมือนอะไรเหมือนกาของพ่อค้าทางทะเลฉะนั้นมีเรื่องเล่ามาว่าพวกพ่อค้าทางทะเลเมื่อจะขึ้นเรือ ก็เป็นธรรมดาว่าจะพาเอากาผู้รู้ทิศไปด้วยคลาใดเรือถูกพายุซัดเล่นไปผิดที่ฝั่งก็ไม่ปรากฏครานั้นพวกพ่อค้าเหล่านั้นก็จะปล่อยกาผู้รู้ทิศไปการู้ทิศไม่รู้ทิศมันอยู่ในนั้นเหงานานๆมันก็จะพอปล่อยขึ้นมันก็ต้องบินหาฝั่งนะก็บินขึ้นก่อนดูว่าฝั่งอยู่ทิศไหนกานั้นก็เกาะ อ, อยู่ที่เสากระโดงจะโผขึ้นไปยังอากาศเที่ยว บินโผไปมาตลอดที่น้อยทีย่ใหญ่ทั้งปวงถ้าหากว่าพบฝั่งก็จะบ่ายหน้าบินไปตรงฝั่งทีเดียวถ้าหากว่าไม่เห็นมันก็จะบินกลับมาเกาะเสากระโดงแล้วแล้วเล่าเต่าเต็มที่จะออกกันนะหาทางเพื่อจะหาพบถ้าพบเกาะก็จะต้องไปพบเกาะก็ต้องไปสังขารูปเปกขาญานก็ฉันนั้นถ้าหากว่าเห็นพระนิพพานอันเป็นสันติบทว่ามีอยู่ก็จะสละความเป็นไป ของสังขารทั้งปวงแล้วก็เล่นไปสู่พระนิพพานทีเดียวคือตรงนี้เริ่มแยกนะระหว่างไอ้ความคําว่าเป็นไปนีแ่แปลว่าอะไรปรวัตตะความเป็นไปของทุกและสมุทยัยคือต้องการจะนิวัตตะอย่างเดียวต้องการกลับอย่างเดียวนะนิวัตตะนิวัตเตตาวาก็กลับแล้วใช่ไหมคือไม่ไปแล้วจะกลับแล้วกลับจากสังขารม้วนกลับจากสังขารบอกไม่เอาสังขารแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพบพระนิพพานก็จะสละปะวัตตะจิตก็จะเล่นไปสู่พระนิพพาน อันนี้สละอะไรนะป ร, ปริจาคะใช่ไหมคือคือมุ่งจากธิบายไออนุปัสนาข้อที่เจ็ดคืออะไรปฏินิสข า, านุปัสนาปฏินิสข า, ามีอยู่สองอย่างหนึ่ ง, งทําหน้างงงแปลว่าอะไรหนึ่งปริจารคะต้องการจะสละบริจาคสังขารแล้วก็ปักขันธะนมุ่งจะเล่นไปสู่พระนิพพานเพราะนั้นนี่คือนี่ลักษณะของปฏิสัคานุปัสนา ปตินิสข า, านุปัสนาก็คือสังขารุเปกขายา น, นั่นเองถ้าหากว่าไม่เห็นก็จะเป็นยานที่มีแต่สังขารเป็นอารมณ์อย่างเดียวเป็นไปแล้วแล้วเราเล่าโดยอันนี้จังทุกขังอนัตตานิจังทุกขังอนัตต า, ออ า, ตาเบื่อหน่ายคลายกำหนัดน้อมจะออกอย่างเดียวสังขารุเปกขายานี้นั้นเป็นเหมือนแป้งในกระด้งที่เขาขยี้อยู่เป็นเหมือนฝ้ายที่เขาแกะเอาเมล็ดออกแล้วหีบอยู่ กำหนดสังขารทั้งหลายโดยประการต่างๆละทั้งความกลัวละทั้งความเพลิดเพลินได้แล้วก็วางตัวเป็นกลางในอันวิจัยสังขารก็ยังวิจัยอยู่นั่นแหละวิจัยว่ายังไงวิจัยโดยความอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือวิจัยโดยอนุปัสนาสามเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ถึงวิโมกขมุกสามอย่างย่อมเป็นปัจจัยแก่การกําหนดจําแนกธาตุญาตบุคคลเจประเภท